5. สันจริตตศิขาบทภิกษุทำหน้าที่ชักสื่อต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. รับคําไปบอกกลับมาบอกต้องอาบัตสังขาทิเศษสรับคําไปบอกไม่กลับมาบอกต้องอาบัตทุลใจ 3. รับคําไม่ไปบอกไม่กลับมาบอก ต้องอาบัตทุกกฎ